สิ่งต่างสิ่งต่างสิ่งก็สิ่งต่างโอ้เขอาเานะข้าให้ดังแล้วก่อนสิ<อ>่งต่านะอาว่าไปแค่เอ่อสิ่งต่างสมมุติว่าถวายสังฆทานหลวงพ่อหลายๆลครั้งอธิษฐานให้เป็นเทศตรงกันข้ามในชาติหน้าจะสําเร็จไหมครับับอนนสาเร็จสําเร็จต้องถ ว, วถวายที่วัดนี้ป่ะต้องถวายที่วัดนี้โอถ้าจะวายที่วัดอื่นไม่สําเร็จ ใช่ไหมนี่จะพูดไปไงทำไมจำได้ถ้ไม่สมัยตายไปแล้วไม่ต่อว่าเราไม่ได้ปเด๋ยพูดแรงไปเดี๋ยวยิ่ได้ยินไม่ค่อยๆกันก่อนค่อยๆก่อนสนั่นนะสนั่นนะเออตอนจริงในสังกัดสังกาดสังกัหาุนทนะครับท่านบอกว่าถ้าผู้หญิงต้องการเด็กผู้ชายนี่ความจริงไม่แน่แตยผู้หญิงที่มานั่งที่นี่เด็ก้ชายตั้งเยอะอดีตนะอ๋ออดีตนะเพราะอะไรไหมครับ ที่ต้องมาเกิดเป็นผู้หญิงเพราะโรคเจ้าชู้อ้าวมีมีไม่ใช่มีเมียน้อยมีเมียมากนี่พูดจพดพ่อพูดเสียงดังนะใช่นี่เราก็คิดตัวสองคนอ้าวคนที่ทำกับข้าวถวายคือผู้หญิ ง, งนีหลวงพ่อนะไม่เป็นห่วงเขเดียวไปว่ามากแล้วข้างคนนั้นเขไม่เกี่ยว อคนนั้นเขามีขัตจธรรมต้องสิ <c oughs> นต้องทำดีมีกำหนดสิทครบถ้วนออแต่คนอื่นคนอื่นอคนนู้ไม่ทำกับข้าวถวายพระและไม่เคยเป็นผู้ชายเราเคยเก่งไอ้ผู้ผู้ชายมันไม่เคยตกครัวหรอก อ, อย่างนั้นสมยนัยที่ผู้หญิง เ, เยอะๆนี่ก็แสดงว่าพลาดก่อนผิดสินข้อกวามไมไม่ยด็ดพิชนสินพังไปเลยเฮ้ยสาเต่อแล้วถ้าแล้วผู้ชายล่ะถ้าผู้ชาย อะไรอผ so so so ู้ชายทําผิดก็กลายเป็นเกิดเป็นผู้หญิงใช่ผู้หญิงทําผิดเกิดเป็นผู้ชายไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไมยุคเขาเสือเขามีมาช่วยและมาช่วยคืองี้วันนี้รอยสายไอ้ที่ผมเรียอะไรได้เยอะแยะก็ใส่น้นก็สิีมันขาดหลอดกดไล่์สุดมากที่ผมได้เยอะๆเนี่ยผู้หญิงก็ถวายผมต้องเสียหน่อยนึง อ่าต่อไปก็เดี๋ยวก่อน อ, อผู้หญิงถ้าต้องการเป็นผู้ชายนะคราบในสาวสงเคราะห์จะบอกว่าต้องมีความเคารพสามีใครบิดาอี่ถ้าเป็นผู้หญิงแท้นะเขายิ้มเทียมแล้วไม่ต้องหมดโทษก็เป็นผู้ชายผู้หญิงเทียมเป็นไงก็เป็นผู้ชายมาก่อนอแล้วก็เมื่อมีโทษการมเม้ก็มาเกิดเป็นผู้หญิง ถ้าโทษการเมหมดก็กลับไปเป็นผู้ชายตามเดิมใช่ไห ม, มแต่ว่าจะเห็นว่าเป็นผู้หญิงแท้ต้องการเป็นผู้ชายเมื่อต้องการผู้ชายก็ต้องปฏิบัติมีความครบในสา ม, มีคล้ายบิดาจึงจะเป็นผู้ชายาแต่ความจริงจะคิดว่าเป็นผู้หญิงเนี่ดีกว่าผู้ชายทำไมครับก็เกณฑ์ลงนรกน้อยกว่าผู้ชาย ผมไม่เชี่ยไม่ได้เชี่ยอย่าลืมนะคนหุงข้าวให้กินนะแต่ไม่ได้เข้ากับผู้หญิงแต่ฉันเข้ากับหม้อข้าวหลอกผู้หญิงก็ไม่เกี่ยวพว่าไปเกี่ยวผู้หญิงแปลบัดมากที่ฉันสนใจก็หม้อข้าวอย่างเดียวอผู้หญิงไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแต่หม้อข้าวมันจะมากับจะใครช่างหรือมาจาผู้หญิงร่างกายเขไม่รู้ท่าน แล้วไปคิดผู้ไหนลืมแล้วก็เรื่องผู้ชายเป็นผู้หญิงผู้หญิงเป็นผู้ชายอ่ะก็ใช่ทาอะไรประพฤติการบวชสิกนะอะการบวชสิกนะไม่ใช่เลยถ้าว่าผู้ชายจะเป็นผู้หญิงก็ต้องผิดเพื่อการมีใช่ไหม อ, อันนี้ง่ายหน่อยผู้หญิงถ้าจะเป็นผู้ชายปฏิบัติสามีค่ายกับบิดามีความเคารพตนเองนไหอ ก่อจติแบบไหนตุกเช้าตับหรือไม่ใช่ใช่เมตุกะคือว่ายังไม่ตายก็ดานิดหน่อยออกไปน้ำกระใสอย่างถ้ายังแรงๆก็ซอยดีๆยึดตกว้ายตกขวาครับทำอะไรล่ะถึงได้เกิดเป็นกระเทยไม่ไม่เข้าข้หลักสองพอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเคยเกิดเมื่ออดีตและครับ อ๋ออินทระกได้บ้างมะมันก็ได้บ้างงานสาบได้เกิดเปนด็นเนื่อยไดเก็ไปกดอันเดียวกันอ๋อหรือว่าท่านบอกว่าถ้ามีโทษการมีนะตายลงไปแล้วถ้ามีโทษอื่นด้วยก็สงมนรกคุ้มใหญ่ถ้ันผ่านสิ้นที่น ร, รกคือต้องอยู่ใช่ไหมคราัาคนจามามนรกก็มาเป็นเปรตจากเปรตดปวร่อยสุดกาย จาสุรเกลเราเป็นสัตีชนันเพราะเป็นสัตีชันได้ถูกทำลายเพศอถ้าเป็นสัตว์เขาถูกกลัดเพศ่อทำลายไป<า>ใช่ไหมครับแล้วต่อมาก็กมาเป็นคนหมดพ่อพราพแล้วก็มาเป็นคนเป็นคนที่แรกก็มาเป็นกระเทยก่อนด้วย ม, มันดอกก่อนอมันดอกนี่มีสองเพศดอกอย่างไหงพร อ, อดอกดอกสมจริงอะ่อะก็มีท<อ>ั้งสองเพศคือเพศหญิงและเพศชายโอยงไม่แต่ว่าชายม่ได้ผลทุกอย่าง รู้ละเอียดเงี่ยนะเขาลูบเพราะเปิดดูไม่จะไม่จะเปิดผ้าจะเปิดตำราดูอ๋อได้เลยใช่ไหมตึ้งก็อยู่ในตระกีสามมุนเคยแปลมาอ๋อเข้าไปดูจะเป็นยั้ไงเราอืมไปได้ไปได้ไปไดไปได้ใจจะไปอยู่แล้วเห็นก็บอกว่าน้ำคุ่นๆไปได้ละหรือ ตอนนี้ยากมันบอกว่ามาเป็นกระเทยอ่าไอ้กะเทยนี่มันมีสภาพลูกชายไรืหญิงก็ไม่แน่แตอนนี้สายชอบเป็นผู้หญิงอ๋อใช็กแม่ครับเพราะที่กระเทยนี่ก็บรรดาที่ต่างกันบรรดาบรรดาจะมีสองเพศเหมือนกันแต่ใช้ไม่ได้ทุกอย่างอ๋อถ้าบอกมาเป็นกระเทย ก, ก็จริงๆรินี่สภาพเปลี่ยนแปลงไปคือร่างกายอาจจะเป็นผู้ชายแต่ใจเขาจะเป็นผู้หญิงอ๋อนี่ก็มาจากโทษากรนะรารมไม่เหมือนกันทำไมเนี่ยครับคได้ โทษต า, ษามเม่ น, นะคะับครับเพราะจะจบยังไงได้ได้ครัะคนที่นับถือศาสนาต่างกันเวลาตกนรกนี้แยกนรกกันหรือเปล่าเขาแยกกันมีหลายรกหรอะต่ไม่ช่แยกนรกแยกที่เขียงอาจารย์ตกนรกอยู่ที่ตัวยี้ตัวนี้อีกราบตุตัวนี้มันจักัดบันเทิวจะตกสงคนได้ไหล่ออต้อนั่งข้าง ก็เป็นนรกข้างๆไปนะ <c oughs> ว่า้าชาติต่อไปนี่เขาไม่มีคำวมาชาติศาสนาอ๋อมันเหมือนกับเรือนจำที่จะมีไว้ไอเรือนจำเนี่ยไม่ว่าใครโขาขังทีนนั่นที่นั่นแหละเหมือนกันใช่ไหมคราบหรือว่าคําว่าศาสนานี่แปลว่าคําสอนนะคราบจะรับคําสอนจะใครก็ตามถ้าตายแล้วไปตกนรกก็ไปอยู่จุดเดียวกันถ้าตายแล้วไปสวรรค์แล้วไปลงก็ไปอยู่จุดเดียวกัน ครับถ้าลาะแหะมีอะไรเปิดไฟก็ได้เล็งหยาบนครับเลยรู้ปุ๊ไฟู้ไปกดุดเดฉันเออไม่บอกหลวอลาอย่างขึ้อยนเลยเออด็กฉมากราบหลวงพ่อทีไรก็โดนหมาทุกทีอย่างนี้อานิสงส์จะเป็นยังไงคะโดนหมาเลยสงสัยจะเป็นหมาใต้ดินมั้งไปเดินไปชนหมาเลย คือกรทั่งเวลากาบหลวงพ่อที่ไรก็มีหมาด้วยสังขังสังอาชามีเออมีหมาด้วยทดสอบพรีพุทธังสนังกัชามิขอถึงว่าพระเจ้าเป็นพพึงทราบทำมังสนังกัชามิขอถึงว่าธรรมเป็นนิพพึงสังขังสนังอาชามิขอถึงวระสงบนิพพึงคุณคขังสนังอาชามิขอมึงหมาึ่ง S <S ได้ดีได้ชะใช่ตุลาคุมสี่ดีคงอีกโอ้ดีดีกว่าสามดีกว่าไอ้สามขานม่หักขาไม่หักขาไปไม่ได้แต่ดีค ข, ขาขาเขาก็ยกไว้ได้ไอ้คำว่าชนหมานี่ไม่เข้าใจดิเขาเห็นว่าไม่เข้าใจคราบทราบกุงปลยคือไหว้แล้วใ้าว่าจิตมันไป็่ข้อหอนึ่ที่หมาอจิตเข้าในหมาก็ดีแล้วไปที่ขึ้ไนไปอ๋อเด็กมีประโยชน์นะอ้านี่มีประโยชน์มากเสียหมาเนี่ยเหรอใช่จะเล่า ก็สูดได้ฟังไหมอยาไ้ทีใหม่ึกระสูรเอาไหมีเลครับไครับฟังไหมอนี้สงนะจะได้เป็นหมาเอ้ย้จะได้รู้เรื่องหมาโอ้เรนไอ้คนจเลีงหมาอยู่ใครเรื่องไรอย่างนี้โกตัวขิกะใช่ไหมเข้าใจไหมเป็นเพื่อนอาจารย์นะผมไม่เพื่อนหมาไม่ใช่ สมัยท่านเป็นโกตุฮิกษสุีคนอทอานโกตุฮฤกา์นี้ท่านอยู่เมืองหนึ่งสมัยนั้นก็เป็นโรคแรงจัดเคลื่อนข้ายากหมากแรงผลแน่ไม่จบต้องดังดูการถ้าปราบตัคนก็เป็นโลกระบาดมากตายกันนส <c oughs> มัยนั้นคนไป็นโรควายก็ดีการโลกก็ดี ก, ก็ถือเป็น โ, โ, โลกหาลงเข้า <c oughs> ไหมแต่ <c oughs> ว่าใครจะหนีโลกนั้นห้ามออกทางประตูบ้านต้องลักจัฝหวไป ก็เป็ น, นว่าให้โกตัวนิกะกับพัญญาและก็ลูกร้อยหนึ่งคนลูกอื่นเดินไม่ได้งัดปามบ้านหนีมาเลยระหว่างทางต่อมาเดินมาหลายวันอาหารที่นำมาก็หมดท่านเป็นคนจนนะคราบอาหารหมดต่อมาร่างกายก็จะหมดแรงก็เลยบอกเมียบอกไอ้ลูกเนี่ยทิ้งเลยมันลําบากมากเจ้าไม่ไหวแล้วาเรายังลงุ่มยังสาวอยู่แล้วที่จะทําให้ไหม ใช่ไหมแต่เขาพูอัจริงจริงอ๋อเขาพูดน่ะเขาพูดอย่างนั้นจริงๆถ้าไม่ตอบไปเราสามารถหาใหม่ได้ก็เมียเคยพูดเป็นแม่ใช่ไหมย่อมมีความรักต่อรูปเมียก็ไม่ยอมมาวันหนึ่งตอนเย็นท้าเลยขอลูกมาอุ้มแทนแทนเมียาแล้วมาใกล้แก่ค่ำก็พยายามเดินทวงให้มันช้าพัญญาเดินเรื่หน้าใบคล้าย เวลาใกล้ถ้ทำท่านก็ทําทีว่าจะเข้าไปไปปัสวะในพุ่มไม้ที่ว่ามันเป็นในป่า oh. ก็เลยลูกวางไว้ใบไม้หมกแล้วค่อยเดินได้ช้ากว่าจะทนันนึกบัญญาก็ไปไกลไปถึงบัญญาถามว่าลูกไปไหนต้งบอกทิ้งไว้ที่โน่นแล้วแต่เมียกลับมาควนมาหาลูกปรากฏ ล, ลูกตายไปแล้วโอ oh, ใช่ไมอ่า oh. หลังจากนั้นมาสองสามวันก็เดินออกไปถึงบาง้านเมืองหนึ่งนะก็ เ, เข้าไปในบ้านเขาท่านสหบดีจะไปรับจ้างไอ้ข่ายรับจ้างมาต้องการอย่างเดียวว่าถ้ามีข้าวกินใช้ได้ออถ้าจ้างไม่เลือกให้แพงให้ถูกก็ไม่ให้เลยก็ไม่เป็นไรเพราะคนอดนะเวลานั้นเจ้ากักรหบดีท่านมีหมาตัวเป็นหมาทุเมียท่ า, านะ ร, ารังจีนข้าวมาทุกปลายา ทำตุภยาที่ข้าวดีมากมือเขหาเศรษฐีก็คาบูดีก็ลายชากินท่นั้นเขาถึงกินไม่ได้<อ>แต่กินไปถ่าก็แบ่งให้หมากินไปบ้างแถอะกินบ้างตามนี้ตาม เ, เราว<อ>เป็นหมาที่ท่านรักปรามตอนนี้พอเข้าไปหาทาบบ่านคาบูดีท่านก็ไปบอกความเป็นจ ร, ร, รงนิงให้ท่าทราบก็ต้องการมาทํางานท่านก็นยอมรับแล้วก็ท่านก็เลยโอบลูกน้องท่าไปจายทหารมาสองส่วนสองจาาก็แบ่งให้ปัญญาจารย์สามีจาน ที่บัญญจะมีความรักสามีมาก<อ>ให้หัวกินก่อนหัวก็มั่มหมดแล้วถามหัวพอหรือยัง<อ>ตัวเองยังไม่ได้กินแต่ห <c oughs> ัวบอกยังเลยพอก็เลยให้กินเป็นจากที่สองตอนนี้ได้เรื่องไปไหนลำพัมบารีสเขบอกว่าร่างกายมัเปียมมากไฟธาตุไม่สามารถจะย่อยได้ที<อ>่ตตโกโระดูกลนลยตายตอนนั้น แต่าก่อนที่เขาจะตายก่อนขนาดที่เขามีวรันกินข้าอยู่เ้านั่งมองไอ้เจ้าหมาตัวนั้นน่ะคิดว่าเจ้าหมาตัวนี้น่ะมันดีกว่าเราอเราเองเป็นคนยังไม่เคยได้กินข้าวมาทุกปัจญาตเลยคราบครัรแต่ว่าเจ้าหมาตัวนี้มันได้กินข้าวมาทุกปัจญาตจิตใจเขาไปจับที่หมาใช่ไหมคราบครับพอเราเวลาตายลงไปสายจิตเข้าอะไรอยู่มันไปที่นั่นจิตสอบจากร่างเข้าท้องหมาไปเลยเข้าโดยแน่นอะไรหรอือเอาโดยแน่นทันที แต่แล้ว่าหมาช่วยไว้เนะนี่ยเนี่ยโทษทีท่ฆ่าลูกเหรอความจริงจะต้องตายลงในร ก, กนั่นแหละครับถ้าที่ว่าเข้าทองหมายังไม่ต้องโดนรกที่หมาช่วยไว้สิสุนัขขังก็นางกระชามีถึงหมาดี่พึ่งอาปลขอยจะเลินจะเลินแล้วก็หลังจากนั่งท่านก็เป็นก็ตายจากความในคนไปเป็นหมานี่ก็เป็นหมาแสนรู้รู้ภาษาคนออท่านเศรฐีก็รักท่านท่านอาณาธารวดีก็รักมาก แล้วท่านมีพระปเจวุพิเจ้าองค์หนึ่ทงที่ท่านเคารพนอกจะดูผลท่านก็มาใกล้บ้านอยู่ไหมครับเวลาท่านไปหาพระปเจ้าพระที่เจ้าก็พ า, า, า, าหมาตัวนี้ไปด้วยไอ้จ้หมายว่าตามไปถ้าวันไหนท่านไม่ว่างก็ใช้หมาตัวนี้ไปแทนอ๋อไมันก็ไปถึงก็หอนมั่งเห่ามั่งบอกว่าผมมาแล้วครับผมมาแล้วครับแผ่นแดงเนื้อภาษาเลยนะแผ่นเบานะโอโ้โหมาเจื่อรู้เขารู้ใช้เป็นหมาด้วยอ๋อลูกลูกา <laughs> ไฟให้เราทราบเราไฟไปแล้วไปเ้างหลังนี่มาด้านนี้มมันโตได้ไฟต้างด้านนี้ได้มันก็โตก็เห็นแล้เห็นแล้วเห็นแล้วเป็นตัวพระไถ่เราไปรู้รู้รู้ว่าหมามาทาอยู่ไหมได้เราทำอย่างนั้นตลอดมาจะมีความรักต่อพระพุทธเจ้าพธเจ้ามากเมื่อถึงเวลาจะเข้าไปสึกาพระพุทธเจ้าตรงกับขันเขาสุกขณมารถไหมไา้เจ้าหมาตัวนี้กันมองท่านเหาะไปจพียงต้องสุดสายตา เอาบ้างหอนบังเพราะพระพระเจ้าพระเจ้าสุดสายตาไปแล้วเจ้าหมาตัวนี้ก็เลยขาดใจตายโอหนังฝันเอาใจที่จิตรักนะท่านพระเจ้าพรเจ้าครับพระใช่ไหมตายจากความเป็นหมาไปเกิดเป็นเทวดามืองสวรรค์เช่นดาวดึงสิงห์โลกเห็นไหมหมาเน่ยหมานี่ยดีกว่าคนอ่ะนี่คนถ้าตายแล้วไปเกิดเป็นหมาดีไม่ต้องลงนรกอ้อะไรต้องลงนรกนะครับแล้วก็ไปเกิดเป็นเทวดามืองสวรรค์เช่นดาวดึง อาลัยสงส์ที่ใช้เสียงเห่าบ้างหอนบังให้ท่านอญจารย์ก็พระเจ้พระเจ้าท่านก็เป็นคนเสียงดีคระอาจารย์นี่นะอ้าวาผู้เสียงธรมธรมดาธรรมดานี่ดังไปหกสิบโยต์เท่าหัวเราะเต็มที่ดังก้องทั่วด ว, วดึง อ, อาจารย์นี่คันพันเดียวกันเนี่ย <laughs> อ, อผมนี่คือมีตระกูลไม่ใช่ไม่ใช่แต่กุลหม า, ามแต่กุลแต่กุลโคศกที่ปรบุ พัาไปเป็นธรรมดามีนามอโคศกเทพประบุใช่ไหมไปดีซะด้วยจะเห็นว่าความจริงจะว่าหมาไม่ดีไม่ได้นะกรรมนรกไว้นะคราวนั้นถ้าโกตัวริกะไม่ได้สุนัขกันไม่คือจิตไม่จับสุนัขเมื่ก่อนใช่ไมครับรับจะต้องลงนรกนี่ไม่ต้องตกนรกด้วยแล้วก็ตายจากสุนัขไปเป็นเป็นเทวดาด้วยนี่คุณประโยชนใหญ่มากไม่ตกนรกตายจากไม่ใช่จะเป็นสวรรค์เทวดาใช่เป็นสวรรค์ เออหลวงพ่อนี่ก็ใจเลี้ยงนะไอ้นี่ก็เลยถือแบบนั้นไว้เผื่อใครที่จะพลาดท่ามาเกาะไอ้นี่ไว้เกาะเอแ๊แต่เขาชอบนุกโต้หูโต้ผูนี่มีแนวในการต้องกรรันนรกได้ต้องกันยังไงเนะคยรู้ ว, ว่าหมูพ่อป้านเนี่ยเป็นผีวิศรณะรเลยนะอ๋อกัแมวเนี่ยครับคถ้าใครหามากับแมวมาปล่อยว่าที่ท่านสั่งแค่เลยต้องแบบขับละครต้องเลี้ยงให้ดีอ้ท่ามอกวไอ้หมากับแมวเนี่ยมันเป็นด่านกันรกด่านแรก เพราะอะไรไหมเรามีจิตเมตตาในมันให้มันกินทานแจกว่าเป็นทานบารมีกราบไอตัวทานตัวนี้เราต้องห่วงหมาห่วงแมวว่ามันได้กินได้ยังเช้าได้กินได้ยังกลางวันได้กินได้ยังเย็นได้กินได้ยังใช่ไหาไอ้เดี๋ยวจิตมันเป็นจิตกุศลถ้าตายจากความเป็นคนนึกอย่างอื่นไม่ได้จิตอาจจะนึกอย่างนี้ได้เพราะคิดเป็นคิดตลอดวันอก็ไปสวรรค์ก่อน ถาไปสวรรค์นะบุญเก่าๆที่ทําไว้แล้วเทไลมันจะรวมตัว ท, ทันทีเห็นไหมครั บ, ค, รบ yeah, คนเพิ่มปรณนากลมเป็นสุนัขขังชั้นนางะชะามิถอถึงหมาไปที่พึ่งอิสระหนึ่งตายแลย้วยางต่ำก็ไปสวรรค์นน ะ, ะยังต่ำอ้วนไปมีอะไรปนปัญหาเยอะฮะขับ<ๆ>ปึ้งไปลเลยเนี้ยเขาบอกว่าการถวายสังฆท า, านต้องเขียนชื่อผู้ตายไว้บนผ้าไตรจีวรด้วย ผู้ตายถึงจะมีโอกาสได้รับอย่างนี้อยากเรียนถามหลวงพ่อว่าเป็นความจริงไหมเจ้าค่ะมันเป็นความจริงเหมือนกันกต่ที่โยมเขียนมาในผิดระเบียบอ่าทําไมหลวงพ่อเขาต้องใช้กระัตษห้าร้อยบาทเขียนโอ้พออ่านจบแล้วจะได้เป็นประโยชน์ต่อไปใช่หลวพ่อในหลอกตอบเนงะ <c oughs> แต่ความจริงมันไม่จําเป็นนี่ครับเพราะว่าไม่จําเป็นต้องทําอย่างนั้นนะ มีญาติโยมหลายคนเวลามาถวายขันธ์ทานเราส่งชื่อคนตายให้แอกว่าคุงพ่อช่วยด้วยแต่ความจริงก็ไม่ถูกนั่งหรอกผลบุญะต้องเป็นผลบุญที่ญาติโยมทําแล้วตั้งใจทิ้ให้ต่างหากถ้าพระอาจจะช่วยได้แต่ว่าเท่านั้นเขามาหาอันนี้ที่ว่าไม่จําเป็นทานั้นนะต่อข้อต่อไปเลยคนที่ปราถนา จาไปนิพพานในภาคนี้แต่โอกาสทําบุญมีน้อยปัจจัยก็ขัดคล่องอย่างนี้จะมีโอกาสไปนิพพานตามที่หลวงพ่อว่าได้อย่างไรเจ้าคะไอ้ปัจจัยใครคล่องปัจจัยก็แปลว่าอะไรปัจจัยคือเพื่องอาใจพ้องบ้านปาริชนว่าตามมีใจหนึ่งก็รุนยิ่งอะไรไม่ใช่ตพราปัจจัยในการนิพพานไม่ได้หมายรื่งเงินไม่ได้มาเรื่องของนะ มันหมายถึงกำลังใจ oh. ถ้าเราเป็นคนจนไม่มีอะไรเลยก็ไปนิพพานได้ราใช่ไหมไอ้เมียเราคิดไว้เป็นบดีวัาหนึง่งขึ้นชีวาทรั์สมบัติเขาโมกคนอื่นเราไม่ต้องการยาแย่งเราไม่ต้องการยะลักไม่ต้องการยาโกงใช่ไหมครับแล้วคิดไว้เสมอว่าถ้าเรามีโอกาสถ้ามีใครมีความทุกข์ถ้าไม่เกินสยที่เราจะช่วยได้เราจะช่วย บางทีเราอาจจะช่วยไม่ได้เลยจะจิตใจตัวนี้เป็นการตัดโลภความโลภหนึ่งแม่กราบโดยการีสองยามทําใจให้เยือกเย็ยนไวแ้แต่ใครก็ทําให้โกรธยับยั้งใจไว้จะมีขันติไม่ช้าเราไม่จะกินเขาแกล้งเราเราก็ไม่โกรธครับครับและโดยการีสามเราไม่หลงมัวเมาในโลีวิสัยเห็นว่าการเกิดส่วนมนุษย์เนี่ยมันเต็ไมได้วยความทุกข์ไม่มีความสุข จะเกิดมากี่ชาติกี่ชาติจะมีสภาพแบบนี้เราไม่ต้องการอีกเราก็มีความรังเกียจในร่างกายนความเป็นทุกตั้งใจไว้เสมอว่าเราเกิดกี่ชาติจะเกิดกี่ชาติเราตามเราจะไม่ยอมมาเป็นมนุษย์นอกจากว่าเราจะปฏิภาณแล้วหลังจากนั้นก็ตั้งใจแล้วส่อสินห้าให้บริสุทธิ์ใช่ไหมลาบหนึ่งตั้งใจให้ทานทานไม่ตั้งใจให้แต่เราไม่มีทรัพย์แต่เราคิดจะให้ ให้ดูก็ถูก็ได้แล้วให้ดูก็ร้อใจคืออาพยยทานอ๋อคือคนนี้เขาทำให้เราโกรธแทนนี่เราจะคิดด้วยค่าเก่งค่าให้ไปบางครั้งมันเถอะมันรู้เท่าไม่ถึงการานนะแล้วอุบัิการณ์ใสองทรงเสียนี่บริสุทธิ์เลยมากก็อเอาสิ้งห้าก่อนนะอุบัติการณ์ในสามมีความรู้สึกคัางเกียดในความเป็นมนุษย์อ๋อไม่ต้งกาำอีกคิดไว้เสมอว่าข้าตายเมื่อไร มันมุด ก, ก็ดีเทวดาก็ดีพงศ์ก็ดีไม่มีสำหรับเราเราต้องการจุดเดียวพุทธิพันธ์เท่านี้ตายมาได้พุทธิพันธ์มานั้นอก็อไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายไม่ต้องลงตังเลยแต่อย่าพูดแรงเลยนะไม่ละครับเดี๋ยว์พาอย่าอดตัวดิต้องเผื่อไว้ด้วยใช่จะไม่โดนนายโยมนะเพรากว่าไม่จําเป็นต้องลงทุนมากมันก็ถึงแม้ว่าญาโยาที่มีชักสิงก็ไม่กันยาทําบุญให้เกินกําลัง เวลาที่ทำบุญให้ทานเนี่ยอย่าให้มากเกินไปยิ่ทั้งเราลำบากอันนี้ไม่ถูกต้องปากากให้เวและให้เรา ส, สบายคือยังมีการคล่องตัวอยู่จะเบียดเบียนตัวเกินไปใช่ไหมทีนี้มันอย่างนี้ถึงพ่อเวลาศรัทธามันเกิดเราเอาไม่อยู่เลยอ่าในฟาชชอบเนะ่้ามที่โทรนึวกว่าจะห่าห้ามหรามไม่ได้ห้ามศรัทธาครับพุทธเจ้าปราับโทษหนะัก อำลายสัทธาไทยเขาบนดาเด็กผู้โดยสารเจบไปโอ้โหลงโทษขนาดหนักเลยันไม่ได้เลยยุเลยยุต่อควาก็ต้องสัทธาก็มีการยัดยั้งตัวเองสมมติว่าถ้าเรามาจากนี่มาจากกรุงเทพมาว่าถ้าสืงอข้าวลถุป็นอาไสมาสามสิบาทมาสามสิบไปสามสิบก็เข้าลงหกสิบได้ใช่ไามถ้าเราจะทำมุนห้าสิบบาทที่ขดทุนไม่ควรก็ต้องคิดว่ามันค่าอาหารเท่าไหร่ค่ารถเท่าไหร่ ถ away, ้าเต่อไปบ้านเท่าไหรเหลือจงว่าท่านเราไม่ลําบากใจทําบุญตามส่วนนั้นใช้ได้เลยต้องแบบนั้นนะครับครับพอดีพอดีนะพอดีพอดีครบเช่นได้วันนี้มีมาพันงั้นก็ทำสแค่พันร้ยบาทก็พอแล้วไม่ต้องมีราพันก็ยืมให้พันสองพันเลยได้ว่าท่านคงนี่มีขับพราเลยขอโทษโปรดเสวนพรทภาจริงี้ปฏิภาณไหวนะฮะไหวมากครับนั่งดูเทีวีอยู่ เห็นข่าวออกสมเด็จพระเทพดูไปดูมาเห็นคอลักษณะเป็นผู้ชายอย่างนี้แสดงว่าผมเป็นยังไงครับผมดำแล้วผมหงอกเลยคนงะ <c oughs> จะเป็นอารมณ์จิตของคนดูนะอ๋อที่ไม่ตอบไม่ได้เนยะครับตอบไม่ได้เพราะไม่รู้กำลังใจครับชายนี้อบอกว่าด้วยอนอาจอาศัยที่มีอจิต่งสัานท่านมีหรือไม่มีก็ไม่รู้ใช่ไหม ถ้าว่าต่อไปคนที่นับถือศาสนาอื่นแล้วจะมาปุดมะโนมะยิทธิะจะสำเร็จหรือไม่เจา้าคะอที่นี่แค่เขาก็มาอิสลามมาเยอะพวกคิดก็มาเยอะ้าวฝรั่งเองก็มามได้ดีๆไปด้วยเมื่อเดือนที่แล้วพวกคิดมาตั้งหลายคน้าได้ดีด้วย ไม่อยู่ที่กำลังใจนะโอ้ใช่นึกว่าพระเจ้าพระเจ้าอะไรอยเงีมาปวดลงโทษแค่เจ้าถ้าเขาไม่ลงโทษจะเขาเจ้าได้ไหมแน่อันนี้ทำใหบ้านผูณพระเจ้าหนาเจ้าพระเจ้าอยู่ทั้งตัวแต่พระเจ้าไปอยู่ไกลที่ไม่ว่างวอากลับผิดเวลาเกินไปใช่ใช่เคยโดนเหมือนกันถ้าถามพวกนี้คนไหนคนไห คนที่ทำผิดคำสาบานเขาว่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้โดยเฉพาะสาบานต่อหน้าประแก้วมรกตยิ่งเป็นไปกันใหญ่อยากแก้กลาบเรียนถามหลวงพ่อว่ามีวิธีจะแก้ไขได้หรือไม่ก็ต้องหาวิธีสาบาันใหม่ ถ้าไม่จริงตการที่สัญญาไวขอให้อ้วกเป็นมหาเศรษฐีอืมเขาถ่ายแตถ้าบานแบบนี้นะบอกให้ฉันในอ้วกให้กูกปเเป็นมหาเศรษฐีวะครับแล้วเราพยายามสัญญาไปเลยโอถ้าเป็นมหาเศรษฐีจริงเาเชื่อได้อันนี้ไม่แน่เลยนะครับครับคำสาบานในความจริงไม่แน่นอนนะก็อย่าไปไปตามนั้นนะมันเป็นไปตามกฎของกรรม อแต่คนนี้เขาสบายเยอะๆมาก่อนเพ่งเคยสบานเหมือนเป็นไรนี่ปกตินะปกติสบายกับเพื่อนนี่ไรบอกถ้ากูไม่ปฏิบัติตามนี่นะฝากให้หมาตกน้ํำตายไม่ไม่ใช่เราตกไม่ใช่เราแล้วเราก็ฝอกถึงข้อสบานหมาเขาไม่เคยตกน้ําเลยโอ้โหแม่ลุงข้อนี่ก็ะจายสะบานนะไปได้แต่หนูเมียที่ฆ่าหมู หนูพยายามทำบุญเพื่ออุทิศไปให้ประจำอยู่เสมออย่างนี้จะมีโอกาสไหมคะอย่าจะถามว่าเตียนั้นเป็นคนนั้นเป็นหนูเตี๋ยคนจีนเขเตี๋ยหนูแล้วตัวเขาก็หนูเตียก็เป็นคนนั้นเป็นหนูโอเตียเตียหนูนี่แสดงว่เป็นพอของหนูเลยไอคนออรุ่เป็นหนูนี่มันจะไรนะ อย่างนี้อุทิศยากนะครับไอหนูเลยนะได้เพราะว่าอย่างไรกต่ถ้าว่าเตียเตียของหนูเนี่ยเป็นคนฆ่าหมูฆ่าไป็ฆ่าไก่หนูมาเรียนกรรมฐานจากหลวงพ่อแล้วก็สงสารแกก็เลยทําบุญอุทิศมาให้อย่างนี้เสมอเสมอบุญจากถึงเตี๋ยวหรือไม่เจ้าคะอันนี้ต้องไปพิสูจน์เองนะครับก็ว่าเรื่องนี้เคยมีมาสมัยตรุษย์ระยะแรกที่จังว่าสมุทรสาคร ทำ ไ, ไมจะเล่าฟังเรื่องไหมครับครับครับแค่ว่าไปฝึกที่บันแพวเนี่ยน่ะมีเด็กคนหนึ่งเด็กเขาสั้นุสิบสี่สิบห้ า, าใจก็ไานั่งดูสามสี่ ว, วันเพราะวันที่สี่จะขอฝึกบ้างแี่ก็ทําได้ใช่ไหมครับกลับทำได้กลับไปบ้านก็ไปคุยไอเกี่ยวกันงี่ก็เลยชอบใจเช้ามามาม า, ม า, มาบ้างบอกว่าวันคืนนี้หนูไปไล่ให้ผมฟังผมพอใจว่อยากจะฝึกบ้าง ไม่ใจก็ฝึกถ้าเขฝึกได้กนได้ก็ถามว่าอยากจะไปไหนพออยากจะพบเตี่ยที่ตายแล้วอก็เลยบอกว่าขอตั้งใจว่าถ้าเตี่ยอยู่ที่ไหนขอไปที่นั่นครับก็ปลายกว่าจะพบเตี่ยในสันทีนรกสบายๆมากโอ้ไปไม่คือคือคือหอกดาบก็สับกันพอถึงแล้วทํามมาเสียงร้องเจี็บอยาว เสียงดังเลยใช่ไหมครับตาเป็นไงเอาเจอเตี๋ยแล้วเตี๋ยไฟไหม้ด้วยหอบก็แทงบาดก็ันก็เลยบอกว่ามีคนข้างๆแต่คนไหมเราเห็นว่านารีวายอยู่ด้วยนะครับแล้วบอกมีครับมาขออนุญาตคนนั้นว่าขออนุญาตให้นําคนคนนั้นขึ้นมาคุยกันด้วยอ๋ออารีบายก็บอกเขาไม่มีอำนาจครับ เขาไม่มีย น, นาเพราว่าคนที่ตกในรกเวรไม่กดขูงกรรมลาบถ้าว่าจะขออนุญาตให้ได้ต้องไปสานักขพระยาโยมโอ้ถ้าสํานักนั้นคนสำนัก น, นั้นมาขออนุญาตจริงจะได้ก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นให้นึกถึงพระยาโยมท่านพอนึกถึงท่านเพื่อส่งข้อท่านก็ถึงเลยอพอเนึนกทัอก็ถึงเลยเพราะที่ไั่นเขาไม่ต้องเดิ น, นลอยไปปั๊บใช่ไหมแกไม่เมื่อคืนลอยไปที่ไหนที่ย <laughs> ไปถึงก็เลยก็เลยบอกก็บอกให้บอกกับท่านบอกต้องการในะคนคนนี้ข้ามาคุยกันใช่เพ<ะ>่งก็บอกอนาะริบาลบอกเอาใครเอาคนนี้ขึ้นมาพี่เขาจะคุยเลยเขาไม่นพ่อเป็นลูกกัน<ะ>อ๋ออาริบาลเขาก็ชี้มือว่าคนนั้นขึ้นมาได้ไอ้ไฟจุดนั้นก็ดับ<ะ>ออกบาปที่กําลังทำร้นายร่างกายอยู่ก็หยุดแล้วขึ้นมาในสภาพเดิมแล้วก็เลยถามว่าถามเกี่ยวว่าทําไมถึงเป็นอย่างนี้ แกก็เลยบอกว่าแกเอาเสี๋ยอะไรสั่งบางที่หลังนะแกจะทํางานไหว้เจา้าหัวจีนะจะทำเหมือนเตีย๋เนี่เตียข้าหมูบ้างข้าไปข้าไก่บไอ้ทนนี้เป็นอย่างแบบนี้โอ้แล้วก็แกก็หันมาถามอีกว่าพผมจะทําไงช่วยเตียได้ครับครับแกก็เลยบอกให้ถามเตียเองว่าจะช่วยแบบไหนใช่ไหมคราบเตียก็เลยบอกว่าช่วยได้เป็นการาเตี๋ยพ้นไม่ได้แต่มันเผาความร้อนมันเผาความเจ็บได้โอ มีทีช่วยเตียบอกมาว่าหนึ่งให้ให้สร้างพระพุทธรูปหน้าตากี่สิบนิ้วหนึ่งองค์โอ้หลงจ่ายท่าใจแค่ก็ขอถวายชังฆทานคร<า>ับและด้วยเราทิศส่วนสนให้ตรงไม่ให้ใครเลยให้เอาอช่วยพาะเตี่ยคนเดียวครับท่านบอกว่าทําบุญอย่างนี้ก็ยังพ้นไม่ได้แต่โทษความน้อนมันมันเท่าลงมากว<า>น้อยลงปรับได้าการบาดเจ็บหอกก็ดีดาบก็ดีมันยังทํางานอยู่สมใบมันเจ็บน้อย ให้แกทำอะไรแกก็ทำ